ซึ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าสัตว์หรือว่าเดรัจฉานี่เขามีจิตใจหรือเปล่านะเขามีคุณธรรมอย่างมนุษย์บ้างไหมแต่ก่อนเราก็คิดว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีคุณธรรมแต่เดี๋ยวนี้เขพบว่าสัตว์นี่มันก็มีเหมือนกันนะเช่นความเอื้อเฟื้อหรือว่าการรู้จักตอบแทนบุญคุณนะ แม้กระทั่งการรักความเป็นธรรมวันก่อนได้ดูวิดีโอและเป็น YouTube นะไอ u t u b e เนี่ยนี้ก็มีสารพัดเรื่องเลยนะมีทุกอย่างเท่าที่คนเราจะนึกออกนี่หาได้หาดูได้หมดนะใน u t u b e ที่วานนี่ก็เป็นเรื่องการศึกษาจะเรียกว่าทดลองหรือว่าการสาธิตก็ได้ เขาลิงสองตัวเนี่ยมาอยู่ในกรงติดกันนะลิงชนิดนี้เาเรียกว่าลิงคาปูชินนะมันน่ารักดีไม่ค่อยดุเหมือนกับพวกลิงแสมลิงคาปูชินนี่เขก็มาไว้อยู่ในกรงสองกรงกรงแรกนี่มีหินอยู่ก้อนหนึ่งกรงที่สองก็มีขวดโหลใส่ถั่ว ประมาณสี่เม็ดนะสี่ลูกนะถัว่วก้อนถั่วลูกใหญ่ๆเนะี่ยทั้งสองกรงนี่ก็มีลิงอยู่สองตัวไอ้ตัวที่มันได้ขวดโหลเนี่ยมันเห็นว่าข้างในมีมีถัว่วมันก็พยายามเปิดแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกไอ้ตัวที่อยู่ติดกันเนี่ยคงจะมีประสบการณ์มากกว่ามันมีหินอยู่เนี่ยมันก็เลยยื่นหินให้เรียกว่าโยนดีกว่านะโยนหินให้ ให้เพื่อนตัวที่กำลังปลุกปล้ากับขวโหลเนี่ยพอได้หินมามันก็พยายามที่ใช้หินเนี่ยนะงัดหินแงะหรือว่าหินพยายามที่จะเจาะฝามันก็ทำจนสำเร็จนะฝาทะลุเลยเพราะเป็นพลาสติกมันก็ดีใจนะได้ถั่วมามันได้สี่ลูกนะแต่ว่า แทนที่มันจะเก็บกินคนเดียวนะมันก็แบ่งเพื่อนให้สองลูกนะเพื่อนที่โยนหินให้มันะนะเหมือนกับว่ามันสำนึกในบุญคุณหรือว่าต้องการตอบแทนก็ได้ว่าถ้าไม่มีหินเนี่ยฉันก็คงไม่ได้กินทัวหรอกนะสันนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะเห็นแก่ตัวหรือว่างกนะ มันก็รู้นะว่าเออที่มันได้มาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนช่วยมันก็เลยตอบแทนเอาถัวเนี่ยยื่นให้เพื่อนสองลูกเท่าๆกันเลยอันนี้จะเรียกว่าสันเนี่ยมันรู้จักร่วมมือหรือว่าสั์เนี่ยรู้จักตอบแทนบุญคุณก็ได้คราวนี้ก็น่าสนใจนะเออทาไมมันมันให้สองนะมันไม่ให้หนึ่งมันได้มาสี่แทนที่จะให้เพื่อนหนึ่งหรือไม่ให้เลยเนี่ยมันให้สอง มันก็คงคิดว่ามันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยควรจะได้เท่าๆกันให้ความคิดแบบนี้ก็เรียกว่าความเป็นธรรมได้นะครานี้ก็ก็ต้องการด้วยาจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นธรรมจริงหรือเปล่านะมันมีสำนึกรืความเป็นธรรมจริงหรือเปล่าเขาก็ทําการทดลองอีกแบบหนึ่งนะก็ใช้ลิงครับปูชินสองตัวที่อยู่คนละอยู่คนละกรงนะถ้ากรงนี่มันเห็น เห็นทะลุ ก, กันได้หมดนะเพราะว่าบุด้วยกระจกหรือพลาสติกนะคนทดลองเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงนะเขาก็ยื่นหินให้ลิงเวลายื่นยื่นหินให้ลิงเนี่ยถ้าลิงมันคืนหินให้นะมันก็จะได้รางวัลลิงตัวแรกรางวัลที่ได้เนี่ยก็คือแตงกวา ไอลิงมันกินแตงกวานะทีแรกมันก็ดีใจนะไอ้ลิงตัวแรกเนี่ยมันยื่นยื่นยื่นหินคืนให้กับคนเนี่ยมันก็ได้แต่งกวามันก็ดีใจแต่ว่าความดีใจมันก็เริ่มเปลี่ยนไปพราะมันเห็นเพื่อนของมันเนี่ยเวลาเพื่อนของมันเนี่ยคืนหินให้กับคนเนี่ยนะคนก็ให้ไม่ได้ให้แต่งกวานะให้องุ่นนะ องมุนี่มันอร่อยก็แตงกวามันก็เริ่มจะไม่พอใจแล้วนะคราวนี้ก็เริ่มรอบที่สองมนุษย์ก็ให้ให้หินมันมันก็คืนก้อนหินพอคืนก้อนหินได้เขาก็ให้รางวัลมันคราวนี้ก็ยังให้แตงกวาเหมือนเดิมอั น, นี้มันไม่พอใจเลยนะแทนที่มันจะกินแตงกวาเหมือนรอบแรกนะมันทำยังไง ร, รู้ไหม มันคว้างแตงกวาทิ้งเลยมันคว้างแตงกวาใส่หน้าคนเลยนะบอกกูไม่เอาไว้กูจะเอาเอางุ่นไอ้เพื่อนกูได้องุ่นทําไมกูกูได้แตงกวาทําทงานเหมือนกันเลยนะทําไมกูได้แตงกวามันไม่เอานะแตงกวามันโยนทิ้งเลยคว้างใส่หน้าเลยอ่าส่วนนักทันลองก็ยังเฉยอยู่นะก็ยังให้องุ่นกับลิงตัวที่สองรอบที่สามนะ ก็เหมือนเดิมนะให้หินกับลิงตัวแรกมันก็ไม่อยากรับแล้วนะแต่พอเซาซีมันก็รับแล้วก็พอให้มันเอาคืนมันก็ทีแรกก็ไม่อยากืคืนแต่ต่อหลังมันก็ยอมคืนนะคือมันไม่คอยอยากร่วมมือแล้วเพราะมันรู้สุวมันไม่ได้ความเป็นธรรมพอคืนก้อนหินให้มันก็ต้องได้รางวัลนะลนักทดลองก็ ยังให้แต่งกวาเหมือนเดิมมันยึ่งโกรธใหญ่เลยนะนะีขคว้างแตงกวาใส่คนอีกนะอันนี้เขาก็สรุปนะที่จริงไม่ต้องสรุปก็รู้แล้วนะว่าสัตว์เนี่ยมันก็มีสำนึกเรื่องความเป็นธรรมนะในเมื่อทำงานอย่างเดียวกันก็ควรได้ผลตอบแทนเหมือนกันนะถ้าเพื่อนนี่ได้องุ่นแต่ว่าฉันได้แตงกวานี่ไม่พอใจแล้ว โกรธโ ย, โยนตแตงกวาทิ้งเลยมอในแง่หนึ่งมันก็โง่งนะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยที่จริงมันก็ชอบนะไอ้ถ้ามันโยนตแตงกวาทิ้งอะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีกลินเลยไอ้ความรักความเป็นธรรมนี่ข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะไม่พอใจสิ่งที่ได้มา สิ่งที่เคยชอบสิ่งที่เคยรักก็จะกลายเป็นเกลียดทันทนะีได้แต่งกาได้แต่งกวามาทีแรกก็ชอบนะแต่พอรู้ว่าคนอื่นได้องุ่นนะมันก็ไม่ชอบขึ้นมาคว่างแต่งกวาทิ้งเลยอันนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดนะก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าถ้ามันคว่างแต่งกวาทิ้งมันก็อดกินเลยนะแทนที่จะ แทนที่จะได้อะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยเป็นไม่ได้เลยแต่จะว่ามันฉลาดก็ได้เพราะว่าถ้ามันทํางินแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมนุษย์เราก็คงจะเห็นว่าให้แต่งกวานี่ไม่ได้ผลละต้องให้อังุนแทนนะมันก็ไปวิธีการก็ได้วิธีการของมันเพื่อที่จะทําให้มันได้อังุนในที่สุดหรือเพื่อที่มันจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดแต่ถ้ามอในแง่หนึง่งมันก็โง่ น, นะ้คนเราก็เป็นอย่างงี้นะ เ, เวลาได้โบนัสได้ของขวัญมา เช่นได้โบนัสเป็นโทรศัพท์มือถือนะก็ดีใจนะแต่พอรูว่เพื่อนเนี่ยเขาได้ i iPhone นนะไอเรานี่ได้แค่ยี่ห้อ i m o b บ l e นะแต่เพื่อนนี่ได้ iPhone ก็คงไม่พอใจแล้วนะอาจจ ะ, มะโมโหถึงขั้นว่าคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยก็ได้ทั้นที่โทรศัพท์นี้ก็ยังใช้ได้นะแท น, นที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ ฟางทิ้งเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจะเรียกว่างโง่ก็ได้หรือว่าเพื่อนได้โบนัสเราได้โบนัสหนึ่งแสนดีใจนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้โบนัสองแสนนี่เสียใจเลยไม่อยากได้แล้วนะไอการที่เรารักความเป็นธรรมบางทีมันก็ทำให้เราทุกข์นะทุกข์เพราะที่ได้น้อยคนอื่น คนเราไม่ได้ทุกข์เพราะเสียอย่างเดียวนะแม้ได้แต่ได้น้อยกว่าคนอื่นนี่ก็ทุกข์ละไอ้ที่ทุกข์นี่ก็เพราะว่ามันมีสำนึกเรื่องความเป็นธรรมว่าฉันต้องได้เท่าคนอื่นแต่ว่าความเป็นธรรมที่ว่านี้นะเม่ว่ามนุษย์หรือลิงนะเหมือนกันอย่างนึงคือว่าถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นนี่ไม่ชอบนะแต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรจริงๆถ้ารักความเป็นธรรมจริงๆนี่ได้มากกว่าคนอื่นนี่ก็ไม่ถูกนะต้องแบ่งให้เขาด้วย ต้องแบกให้คนอื่นให้มันเท่าเทียมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาว้อไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเขาได้น้อยกว่าคนอื่นถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นนี่เขาไม่บ่นนะว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอาจจะคิดว่าเออฉันโชคดีไอ้ความเป็นธรรมที่มนุษย์มีหรือที่สัตว์มีนี่มันก็ยังอิงความเห็นกับตัวอยู่นะก็คือว่าฉันต้องได้เท่าคนอื่นก็คือฉันต้องได้ไม่น้อยกว่าคนอื่น แต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรนะถือว่ า, าผ่านเลยไปได้นะอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพราะถ้าเป็นความเป็นธรรมอย่างถูกต้องนี่ฉันได้มากกว่าคนอื่นก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยหรือว่าไม่เอานะก็เราเาว้เอาไว้คิดเอานะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเตรียมรับพร